ในหน้า446กลางหน้าพรมก็เลยกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้เนรทุก์ฉะนั้นนะบัตรนี้เราจะหายตัวจากพรมมาโลกให้ท่านดูอัน น, น้เขาจะหายตัวให้ดูไอ้คําว่าหายตัวเนี่ยแปลว่าเขาจะหายตัวจุติจากมหาพรมกลับไปปฏิสนธิในอภัสระพรมแล้วจุติจากอภัสระพรมเนี่ยไปเกิดในสุภกินหาพรมแล้วจุติจากสุภกินหานโน่นกลับไปเกิดในเวหัผละพรมตามเดิมเขาจะเครีย่ว่าจะถอยหลังให้ดูว่างั้นเหร เสร็จแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพรหมถ้าอย่างนั้นนะท่านประสงค์จะหายท่านก็หายตัวไปเถอดเนี่ยนะอยากไปไหนก็ไปสิเอาลองดูมา gan พิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระกะพรหมก็กล่าวว่าเราจะหายไปจากพระสมณะโคดมเราจะหายไปจากพระสมณะโคดมแต่ก็ไม่อาจจะหายไปจากนะพระพุทธเจ้าโดยแท้ที่จริงก็ต้องการจะหายโดยการจุติปฏิสนธิใช่ไหมอยากจะถอยเออเนี่ยกลับไปเกิดในอภัรสราพรหมคืนถอยกลับไปเกิดในสุภกินะ พระพรหมอยากถอยกลับไปเกิดเป็นเวหัผลละพรหมตามเดิมแต่ก็ถอยจุติอะไรครแล้วก็ถอยกลับไปหาถอยหลังแบบในหนังได้ไหมถอยหลังไปหาปฏิโนที่แล้วก็ถอยหลังข้ามชาติถอยถอยถอถออยน่นกลับไปอยู่เมื่อห้าร้อยชาติที่ห้าร้อยกับที่แล้วมันทําไม่ได้หรอกเมื่อทําไม่ได้ทําไงดีเสร็จแล้วก็แอบไปซุกอยู่ตามต้นไม้ตามใบหญ้าแล้วกอย่างกเด็กเล่นซ่อนหานะทีนี้พรมพระพุทธเจ้าก็เนรมิตเอาไว้ก่อนแล้วว่า แอบอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นอ่ะนะซ่อนตัวตรงไหนก็ทุกคนมองเห็นหมดเนั้นเวลาพรหมแอบไปหนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยนะพรหมมาปริษัทฉากก็มองเห็นอ้าวก็ท่านอยู่นั่นไงท่านอยู่นั่นไหมคือพรหมประกาพรหมก็อ้ายอายเนี่ยนะนีไปอยู่ตรงไหนเขาก็มองเห็นอ่ะนะก็เหมือนกับน้องพายอยู่ตรงนี้แอบไปซ่อนอยู่เตียงไหนก็มองเห็นหมดอ่ะนะก็มีคนอ้าวนี่อยู่ตรงนี้หลบไม่อยู่ตรงนี้หลบมาอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ตรงนี้นี้ยังไงกันนี้ไม่รอดเนี่ยนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอ้าวพรหมเมื่อท่านหายไม่ได้นะ เราเนี่ยจะก็เลยกล่าวกับหาประกาศพร ม, มาพรมถ้าอย่างนั้นเราจะหายจากท่านบ้างนะเราจะหายไปจากท่านบ้างพร om ก็บอกพูดเนรทุกพี่ฉะนั้นถ้าท่านสามารถหายได้ก็หายตัวไปถเถอะแน่จริงก็หายสินี่นะพรม m ก็คิดว่าเขาเองยังหายไม่ได้ใช่ไพระพุทธเจ้าจะไปเก่งกาดขนาดไหนเนี่ยจะหายได้ พระองค์ก็บันดาลอิทธาพิสังขารด้วยเหตุนั้นพระองค์ก็เข้าเนรินีและก็สินเป็นต้นเนี่ยก็หายตัวบางตัวพระองค์เพราะฉะนั้นพรมทั้งพรมบริษัทธพร ม, มัปบริสัทชาได้ยินแต่เสียงเราไม่เห็นเราเราได้หายตัวไปแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็หายตัวเนี่ยนะเพราะอะไรบันดาลอิทธาพิสังขารพอบันดาลอิทธาพิสังขารเนี่ยนะทีนี้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 อรู ป, ปรพบเนี่ยนะเห็นภัยด้วยพยัติูปฐานญยานอาทีนว่ายานเห็นภัยด้วยมัรคยานไปทั้งหลายและพระองค์ก็เห็นพบของสัตว์ผู้สแสวงหาวิภพแล้วอ น, นะสัตว์ทั้งหลายเร่าร้อนอยู่ในพบก็ต้องการพ้นจากพบเนี่ยนะเราไม่ชื่นชมพบด้วยตัณหาและทิฏฐิเลยและไม่ได้ยึดมั่นนันทีความเพลิดเพลินเลยเพราะฉะนั้นดับนันทีความเพลิดเพลินได้หมดแล้วเนี่ยนะ นนในอัตถกาฐาน้า4 6กสย่อหน้าข้างล่างบอกว่าเรานี้เห็นภายในภพคือเห็นภพสแล้วก็แม้ภพทั้งสา ม, มีการมาพบเป็นท้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสแสวงหาวิภพเนี่ยน ะ, สะแสวงหาธรรมเป็นที่พ้พนภพเราเนี่ยนะไม่พร่ำหาภพก็คือไม่พร่ำบน่นไม่สแสวงหาภพด้วยอำนาจตันหาและทิฏฐิและไม่ยึดมั่นความเพลิดเพลินหมายว่ามไม่เข้าถึงไม่ได้ถือเอาตันหาในภพ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 เพก็แสดงว่าดับสมุทัยเนี่ยนะดับสมุทัยเสร็จแล้วก็เห็นทำเป็นที่ดับก็คือเห็นพระนิพพานทำที่เห็นเนี่ยนะไอ้คำว่าเห็นพบเป็นต้นเนี่ยนะเห็นนิพพานเนี่ยคำว่าเห็นตัวนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคพระพุทธเจ้าก็ประกาศอริยสัจทุสมุทัยนิโรธมรรคเสร็จแล้วมันในข้อห้าร้อ้าสิบเนี่ยนะเป็นคาถาที่พรมบรรลุ เขาบอกว่าพอพุทธเจ้าตรัสคำนี้จบลงเนี่ยพรหมบรรลุมรรคผลประมาณหมื่นองเราฟังเนี่มัก็จะรู้เรื่องเลยนะเราฟังแล้วบรรลุเป็นอริยสัจบรรลุไปแล้วหมื่นองค์เลยนะไอ้พรหมเขาเข้าใจอะไรที่มันลึกซึ้งยิ่เลยนะมันในหน้า463ก็บอกว่า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 ท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์เนอท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาเนอพระสมณโคดมเนี่ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก่อนแต่นี้พวกเราไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินสมณะพราหมณอื่นที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหมือนพระสมณโคดมผู้ออกบวชจากสักย์สกุลถอนพบพร้อมทั้งรากมูลแห่งหมู่สัตว์ในพบ ผู้รื่นผู้รื่นรมยินดีในภพเพลิดเพลินในภพพระพุทธเจ้าพ้นจากภพในหมู่สัตว์ที่กําลังชื่นชมเพลิดเพลินในภพสัตว์ทั้งหลายเพลิดเพลินในภพแต่พระพุทธเจ้าพ้นจากภพเพราะฉันไม่เคยพบเห็นผู้ใดขนาดนี้เลยและมาสอนให้บรรลุตามด้วยเนี่ยนะมาสอนให้ตรัสรู้ตามด้วยเพราะพระพุทธเจ้าพรอมบรรลุตั้งเท่าไหร่หมื่นองค์ใช่ไหมบรรลุหมื่นองค์ อันนะั้นก็เพื่อนไปทร ม, มาลุบครั้งหนึ่งก็คุ้มค่าเลยนะมารุตั้งหมื่นหนึ่งอันนะในข้อ556ริกษสูทั้งหลายครั้งนั้นมารผู้มีบาปเนี่ยนะเขาก็ยังมาอีกนะโอ้ไม่ได้เรื่องนี้มันก็ต้องมีทั้งสองฝ่ายนะมารผู้มีบาปก็เข้าสิงพรห ม, มาปาริษัทชาอีกองค์หนึ่งแล้วก็กล่าวว่าผู้เนรทุกข์ ถ้าท่านจักถ้าท่านจักรู้อย่างนี้ตรัสรู้อย่างนี้ก็อย่าแนะนําอย่าแสดงธรรมอย่าทําความยินดีกับพวกสาวกและพวกบรณชิตเลยมานี่แมหมันไส้มากเลยนะแบบแเดียวเนี้ยบรรลุไปตั้งหมื่นองแล้วเส็จแล้วบอกถ้ารู้เห็นอย่างนี้แล้วทําไมต้องสอนไม่ต้องสอนคนอื่นหรอกท่านอย่าแนะนําอย่าสอนอย่าทําความยินดีไม่ต้องสอนสาวกไม่ต้องสอนบัณชิตไม่ต้องสอนใครทั้งนั้นหรอกทําไมรู้ว่าเหตุผลว่าอย่าสอน สมณะพรามพวกก่อนท่านนะพวกนี้ปฏิญาณตนว่าตัวเองเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกสมณะและพราหมณ์พวกนั้นก็แนะนําแล้วก็แสดงทำทําความยินดีกับพวกสาวกและพวกบันประชิตครั้นแตกกายขาดลมปรางก็เกิดในสัตว์เลี้วมูสัตสัตวชันเลยวแปลว่าพวกนี้มัวแต่เพลิดเพลินเที่ยวสังสรรคคนอื่นตายแล้วเกิดในอบายเลยเกิดในนรกเลย ท่านอย่าสอนนะเนื่องท่านเสื่อมนะืหลังถ้าเกิดท่านไปนเพลิดเพลินติดใจในลูกศิษย์เข้าตายตกนรกนะเหมือนกันนะนะเคยมีมาแล้วตัวอย่างเคยมีมาแล้วกขอบอกงนั้นนะเขาเล่าให้ฟังมันมีตัวอย่างให้เห็นนะส่วนสมณะพราหมณ์พวกที่เกิดก่อนท่านบางพวกที่ปฏิญาณว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณะพราหมณ์พวกนั้นไม่แนะนําไม่แสดงธรรมไม่ทําความยินดีกับพวกสาวก ท, ทั้งที่เป็นบนรรปะชิตครั้นเบื้องหน้า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 เพราะฉะนั้นขอท่านจงเป็นผู้มักน้อยเนี่ยนะอยสอนใครเลยอย่างนั้นตามประกอบอยู่ความสบายในที่ถถธรรมมัศขวิหารธรรมสบายเพลิดเพลินยืนก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายอยู่เถอดเพราะการไม่บอกสอนเป็นความดีท่านอย่าไปบอกสอนสัตว์อื่นเลยเนี่ยนะ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 เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวกับเราอย่างนี้ที่ท่านมาพูดขวางเนี่ยนะขัดว่าอย่าห้าอย่าแนะนำอย่าบอกอย่าสอนอย่ายินดีกับสาวกเป็นต้นเนี่ยนะเพราะท่านไม่มีความอนุเคราะห์ด้วยจิตเกื้อกูลท่านจึงกล่าวกับเราอย่างนี้มานท่านมีความคิดว่าพระสมณโคโดมจักแสดงธรรมแก่ชนเหล่าใดทำเออชนเหล่านั้นจักล่วงเกินวิสัยของเราไป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 ก็ซื้อเหล้าเลี้ยงเหล้าอยู่ในบ้านตลอดให้ผัวเนี่ยเมาตลอดจะได้ไม่ต้องไปหาคนอื่นเป็นต้นเนี่ยนะเขบอกไอ้คนคิดแบบนี้ก็มีเนี่ยนะก็บอกว่าเนี่ยลักษณะนิสัยคนที่เรียกว่ามารก็ลักษณะแบบนี้ต้องให้คนอื่นเขามอมเมามัวเมาเดี๋ยวเขาจะดีเกินหน้าเกินตาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องไปสอนเนี่ยวคนอื่นเขาจะได้ดีบได้ดีเปัญหาเรื่องขวางไว้ตลอดทีนี้พระพุทธเจ้าก็แก้แก้คําที่บอกว่าใครที่สอนคนนั้นตกนรกเนี่ยนะ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 มานผู้หลามกส่วนเราเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ปฏิญาณว่าเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานผู้หลามกตถาคตแม้เมื่อแสดงธรรมแก่พวกสาวกก็เป็นเช่นนั้นแม้ไม่แสดงธรรมแก่พวกสาวกก็เป็นเช่นนั้น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 ก็เพราะว่าอาสะวะเหล่าใดอันเศร้ามองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุก์มีชาติชรามรณะเป็นต้นต่อไปเนี่ยนะอาสะวะเหล่านั้นตถาคตละได้แล้วมีถอนรากเหง้า ไ, ได้หมดแล้วถอนรากเหง้าของกามาสะวะภวาสะวะทิฏฐสะวะอวิชชาสะวะได้แล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งเป็นเหมือนกับต้นตาลที่ต่อด้วนเนี่ยนะต้นตาลที่มีแต่ต่อด้วนเนี่ยนะ มันจะไม่มีการโงกเงยโงกงามอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการเกิดของเราจึงไม่มีอีกต่อไปอาสะวะของเราก็ไม่งอกงามต่อไปเหมือนต้นตามที่ถูกตัดยอดออกไปแล้วจะไม่งอกงามอีกต่อไปฉะนั้นเห็นไหมก็บอกว่าพระสูตรนี้ที่พระองค์ตรัสเนี่ยนะมันไม่ได้ขอร้องแต่พรหมเชื่อเชิญก็เลยชื่อว่าพรหมนิมันตนิกะสูตรเนี่ยนะพรหมนิมันตนิกะสูตรพรหมเขาเชื่อเชิญว่าไงนะ โวยพรห ม, มโลกนี่มันเยี่ยมเนี่ยนะใครมาเกิดในพรห ม, มโลกก็ไม่ไม่จุติปฏิสนธิเป็นดน้นซึ่งพระองค์ก็อาศัยในยะนี้ก็ไปสอนถามให้ใ ห, ให้ใครฟังให้พรหมฟังเนี่ยนะก็ในที่สุดก็ได้บั์พรหมก็บรรลุมรักผลเพราะสูตรเนี่ยประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยนะแต่ก็เนื้อหาก็ถือว่ารายละเอียดที่ที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างขวางเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็พระพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้ทำใด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 สนใจซีดีหรือ MP3 ติดต่อดิที่โรงพยาบาลนวนครนถนนพุหนโยธินโทรศัพท์02 5294533 41โรงพยาบาลนวนคออยุธยาถนนเอเชียโทร035315100 30และมู ล, ลนิธิรักธรรมโทรศัพท์ 02-711-5997-8 ของนุโมทนค่งหนึ่งห้าเก้าเก้าเจ็ดถึ่แปดขออนุโมโู ต, ต, าาตมค่